พรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำให้เป็นพุทธบูชาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติทำค่าคืนนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง วิธีรถน้ำมเมล็พันธุ์ในตัวเราอัตมภาพอยากเจ ร, ริญพรเชิญชวนเราทุกคนมาเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาคุณภาพจิตของเราคุณภาพจิตของเรานั้นสำคัญมากชีวิตของเราที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐเลิ่อนลำ้ำ หรือเป็นชีวิตที่ตกต่ำย่าแย่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นชีวิตที่ประสบกับความล้มเหลวชีวิตที่สดชื่นรื่นเยิงเปลี่ยนไปด้วยความสุขหรือชีวิตที่เต็มไปด้วยความหม่นหมองครองเศร้า ความเป็นไปในชีวิตของเราทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เสื่อมเนื่องจากคุณภาพของดวงจิตคุณภาพของจิตเป็นอย่างไรเราก็จะได้คุณภาพของชีวิตเป็นอย่างนั้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคิดอย่างไร ก็ได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสรับรองเรื่องความสำคัญของความคิดต่อวิถีชีวิตของเราว่าจิตเตนเนยติโลโกโและแปลว่าโลกหมุนไปตามความคิดโลกในที่นี้พระพุทธองค์ทรงหมายถึงชีวิตของเรานั่นเอง ชีวิตของเราหนึ่งคนก็คือโลกหนึ่งใบโลกคือชีวิตนี้จะหมุนไปในทางเสื่อมหรือจะหมุนไปในทางเจริญก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพแห่งความคิดของเราในคำพีพระธรรมบทพระพุทธองค์ตรัสถึงความสำคัญของความคิดเอาไว้ และพระพุทธวจนะนี้ได้รับการอ้างอิงเยอะมากในหมู่ผู้สนใจพระพุทธศาสนาชาวตะวันตกนั่นก็คือพระพุทธวจนะที่รองปราศว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จมาจากใจ หากใจดีไม่ว่าพูดหรือทำก็ย่อมดีตามไปด้วยและเพราะเหตุที่ใจดีอันส่งผลให้พูดดีและทำดีนั่นเองความสุขก็ตามมา ดังหนึ่งเงาตามตนในทางกลับกันหากใจไม่ดีก็พูดไม่ดีและทําไม่ดีและเพราะผลจากการที่ใจไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีความทุกข์ก็ติดตามมาดังหนึ่งล้อเกวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าโข เห็นหรื อ, อยังว่าชีวิตของเราก็คือเงาของความคิดเคยมีนักปราชญ์ชาวตะวันตกเขียนถึงความสำคัญของความคิดต่อวิถีชีวิตของเราอาตมาภาพอ่านเจอตั้งแต่สมัยยังเป็นเนน้อยจนกระทั่งร่วนนี้ ก็ยังประทับตราตรึงอยู่ในความทรงจำปราท่า น, นั้นบอกว่าเธอจงระวังความคิดเพราะความคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทาเธอจงระวังการกระทำเพราะการกระทาบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยเธอจงระวังนิสัย เพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกเธอจงระวังบุคลิกเพราะในที่สุดบุคลิกจะกาหนดชะตากรรมของเธอพวกเราเคยสังเกตไหมบุคลิกภาพของเรานั้นดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ตัวเรา ทำไมคนบางคนจึงมีแต่เพื่อนดีๆจึงได้พบแต่เรื่องดีๆจึงรายล้อมไปด้วยความสาเร็จความสุขในขณะที่บางคนทำไมจึงรายล้อมไปด้วยคนเร็วๆ เ, เรื่องแย่ๆจับทำอะไรก็ล้มเหลวเคยสังเกตไหมพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า ความดีจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆรวมทั้งคนดีๆความชั่วจะดึงดูดคนที่ชั่วรวมทั้งสิ่งชั่วๆทั้งหลายเหมือนนักปราดย่มสมาคมกับนักปราดคนผ่านก็ย่มสมาคมกับคนผ่านสิ่งต่างๆที่ เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราก็คือเงาสะท้อนแห่งบุคลิกภาพของเราและบุคลิกภาพของเราก็มีจุดเริ่มต้นที่ความคิดของเราฉะนั้นเราคิดอย่างไรเราก็จะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นนะและอย่างต่างประกาศทึ่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราก็ตีโพยตีพายตีอกชกตัวว่าคนอื่นทาให้ มันไม่เกี่ยวกับเราโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้โดยไม่มองเข้ามาข้างในพอไม่มองเข้าในเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตก็วิ่งแก้ปัญหาจากข้างนอกสาะดเะคราะห์ต่อชะตาปรับห่วงจุย้ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล หาเครื่องรางของขลังมาแขวนพระงพรังวิ่งหาขุนขลังกับบงเวทอยากให้ผู้พิเศษช่วยปัดเป่าปัญหาให้กับตัวเองเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นเรื่องภายนอก แต่ไม่ได้ย้อนเข้ามามองภายในคือตัวเราเองและดังนั้นเมื่อพยายามที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างจากภายนอกแต่แล้วปรากฏว่าปัญหายังคงดำรงอยู่นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนวิธีที่เขาคิดบางคนเปลี่ยนชื่อแล้วปรับฮองจ่้ยแล้วเปลี่ยนเครื่องประดับแล้วเปลี่ยนทรงผมแล้ว เปลี่ยนที่ทำงานแล้วเปลี่ยนครูบาอาจารย์ด้วยยังไม่มีอะไรดีขึ้นอยากแบบนั้นเลยเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเลยดีกว่าไปสลัลลยกรรมตั้งเป้าอยากจะเป็นซัมบอดี้พอหน้าตาดีแล้วเป็นซัมบอดี้เป็นคนเด่นคนดีคนสำคัญ ผ่าไปผ่ามาชำแหละไปชำแหละมาเจอหมอสมัครเล่นดังเนา่าแทนที่จะได้เป็นซัมบดีเป็นได้แค่ซอมบี้ศพเดินได้หน้าซีเป็นไก่ต้มฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจากภายนอก แม้จะแก้ปัญหาได้แต่ก็แก้ได้ไม่เบ็ดเสร็จในพระพุทธศาสนาของเรานั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามองเข้ามาข้างในก่อนในสุดที่เราควรมองคือมองเข้ามาอย่างจิตใจของเราเมื่อเราเข้ามาเรียนรู้ธรรมะในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามองเข้ามาข้างใน ดูว่ากิเลสเกิดขึ้นตรงไหนให้แก้มันตรงนั้นทุกเกิดตรงไหนเหตุมันก็อยู่ตรงนั้นคนส่วนใหญ่พอทุกเกิดขึ้นมาพยายามขวนขวายจะแก้ทุกยิ่งแก้ยิ่งทุกเพราะอะไรแก้ไม่ถูกทุกเกิดขึ้นมาอย่ายไปแก้ทุกให้ไปแก้สาเหตุของทุกข์เข้าใจหรื อ, อยัง ทุกเกิดขึ้นมาพยายามแก้ทุกแก้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรคุณไปแก้ที่ปรากฏการแต่ไม่ได้แก้ที่สาเหตุของมันฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตนะแทนที่จะมองออกไปข้างนอกให้เรามองเข้ามาข้างในพอมองเข้ามาข้างในเราก็จะเห็นวิธีที่เราคิดใครก็ตามที่มาเห็นวิธีคิดของตัวเองคนคนนั้นเริ่มดำเนินอยู่บน ผลทางแห่งอริยมรรคการเห็นความคิดนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิคนส่วนใหญ่นั่งอยู่เนะี่ยอย่างท่านนักแหล่นั่งอยู่เนะี่ยคิดฟุ้งไปหมดดูในอากาศเนะ่ยการจะราจรทางความคิดนะ่ะติดหนักเลยเนะี่ยแต่และคนคิดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องเรื่องเดิมยังไม่จบคิดเรื่องใหม่วนมาวนไปนั่งอยู่เฉยเฉยก็เหนื่อยเพราะอะไร จิตมันไม่หยุดคิดใครก็ตามที่มันคิดขึ้นมาแล้วม่เห็นความคิดนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตครั้งสำคัญมีวันหนึ่งอตาตมาภาพได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมพอรถจะภาพมารับอตาตมาภาพก็ขึ้นรถพอรถวิ่งไปได้ห้านาที อตาตมาภาพก็ถามลูกศิษย์ว่าเอาสมุดบันทึกมาซิลูกศิษย์บอกไม่ได้เอามาครับอตาตมาก็บอกว่าอยู่ในย่ามนั่นแหละลูกศิษย์ก็บอกย่ามไม่ได้เอามาครับอตาตมาหันไปมองข้างหลังไม่ได้เอาย่า ม, มาใช่ไหมตั้งใจจะเอามาครับแต่ตอนนี้มันวางอยู่บนโต๊ะลูกศิษย์ยังไม่ยอมรับนะ ไม่ยอมรับว่าลืมยังบอกว่าตั้งใจจะามาครับแต่ตอนนี้มันวางอยู่บนโต๊ะความหมายก็เท่ากับว่าลืมแต่เขาไม่พูดคำนี้นาทีนั้นจู่ๆอาตมาก็โกรธปึ้งขึ้นมาเหมือนเมฆดำๆก้อนหนึ่งลอยเคลื่อนเข้ามาบทบังแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นดั่งจิตใจที่สดชื่นดื่นเย็นของอัตมาภาพก่อนจะขึ้นรถจิตยังใสอยู่พอรู้ว่าลูกศิษย์ลืมยากเท่านั้นเองเมฆสีดำทะมึนเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วบังอาทิตย์อึมนานีนั้นอัตมานแน่นไปหมดเลยโยมแน่นตั้งแต่จิตสมองร่างกายอืนอัดขัดข้องไปหมดจิตมันกระซิบว่าเนี่ย อาจารย์เป็นมืออาชีพแต่ลุกสิทธ์ไม่ช่อยจิตมันปรุงเนื้อพอจิตมันปรุงจู่จูจิตอีกตัวไปเห็นจิตจิตไปเห็นจิตเข้าจิตที่คิดกับจิตที่ไปเห็นจิตที่คิดมันเป็นกิเลสโทสะปัททุขึ้นมาจิตที่ไปเห็นคือสัมมาสติพอสัมมาสติไปเห็นปั๊บ ในขณนะที่ธตรมภาพกําลังกลุ่นๆจวนเจียนจะเป็นระเบิดที่ระเบิดปั้งขึ้นมานั่นเองตัวสติไปเห็นความคิดคือไปเห็นตัวความโกรธเข้าทันทีที่ไปเห็นความโกรธานั้นเองโยมจู่ๆเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมความโกรธพังคระรลงไปเหมือนตึกวอเตรเซ็นเตอร์ถูกเครื่องบินโบอินท์ทลม่มปั้มพังราบไปหน้ากลอง ชั่วขณะจิตนั้นอัตมภาพรู้สึกเหมือนมีเงาดำๆเงาหนึ่งวุกออกจากร่างกายของอตมาหลุดพวก อ, อกไปทางประตูรถจู่ๆก็เบาขึ้นทั้งเหนือทั้งตัวนั่นคือปรากฏการจิตเห็นจิตทุกหายทันทีในทางการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านสอนเราว่า จิตที่เห็นจิตนั่นแหละคือจุดเดมต้นของการดมเดินอยู่บนอริยมรรคนั่นคือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วและนี่คือต้นทางของการดับทุกข์ดับโศกในชีวิตของเราในโลกนี้คนจำนวนมากมายเหลือเกิน ที่คิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองคิดปรุงแต่งให้ตัวเองทุกข์แทบล้มประดาตายมีพระฝรั่งรูปหนึ่งเคยไปอยู่กับหลวงปูชาสุภธโทแล้ววันนั้นทั้งวันก็จะมีแขกมีพระฝรั่งมากราบหลวงพ่อชาเยอะมาก หลวงพ่อชาท่างก็ทักองโน้นทักองนี้แต่ท่านไม่ได้ทักพระรูปนี้พระรูปนี้ก็อึดอัดขัดข้องมากวันนั้นทั้งวันปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องตอนหัวค่าในขณะที่พระรูปอื่นไปทำวัดส่วดมนตหลวงพ่อชาเรียกพระรูปนี้มาให้นวดท่านอึดอัดขัดข้องมาทั้งวันนะ เพื่อนพระด้วยกันก็ไม่พูดดีๆกับท่านหลวงพ่อชาก็ไม่ให้ความสำคัญกับท่านทุกทั้งวันท่านทุกแต่ท่านมองไม่เห็นความทุกข์ที่จิตมันปรุงขึ้นมาจิตมันเรียกร้องต้องการให้คนอื่นมาพระน อ, อัตตาใช่ไหมให้คนอื่นมาให้ความสำคัญกับตัวฉันพอตัวฉันไม่ได้ไดรับความสาคัญทุกทั้งวันเลยเพื่อนพระก็พูดไม่เข้าหูครูบาอาจารย์ก็มองไม่เห็นหัว อึดอัดขัดข้องนั่นอกนั่นทั้งวันเลยวันนั้นอึดอัดขัดข้ดของนั่นไปหมดหัวค่มหลงพราชาเรียกเข้าไปนวดในขณะที่นวดจิตปรุงอีกจิตก็ปรุงไปว่าโอ้เรานี้หนอ่อช่างมีบุญเหลือเกินในวัดมีพระฝรั่งร่วมร้อย แต่จะมีพระรูปไหนโชคดีเหมือนเราได้เข้ามารับใช้ใกลชิดปลนิบาตวัดถากครูบาอาจารย์โอ้ครูบาอาจารย์ของเรานี้ใครๆก็ถือกันว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์โอ้เรากําลังนวดพระอาหารหันต์นะความคิดมันปรุงเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉาก แล้วท่านก็ฟูฟูฟูฟขณะที่กาลังฟูสูงขึ้นสูงขึ้นทันใดนั่นเองหลวงพ่อชาก็ถิดเปรี้ยเขาที่ยอดออกท่านล้มคว่ากับมัมห ง, งายลงไปนอกชานนะแล้วหลวงพ่อชาก็บอกว่าหลงอารมณ์แล้วรู้ไหมหลงเข้าไปในอารมณ์หลงเข้าไปในความคิดรู้ตัวั้ม พอเจอลูกถีบหลวงพ่อชาท่านถึงสะดุ้งขึ้นมา Here a อ d now อยู่กับปัจจุบันขณะนี่หละนี่ล่ะที่เราทุกนักทุกหนาอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรคิดขึ้นมาไม่เห็นความคิดคิดขึ้นมาไม่ทันความคิดหลุดก็ไปอยู่ในอดีตหลุดก็ไปอยู่ในอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันขณะ ปรุงให้ตัวเองทุกข์ปรุงให้ตัวเองสุขปรุงให้ตัวเองเศร้าปรุงไปปรุงมาทั้งๆ ท, ที่มีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินสร็งแกรเยอะแยะมากมายแต่ถึงกระนั้นก็ยังทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีสมบัติพัสถานแต่ทุกข์เพราะคิดไม่เป็นหรือทุกข์เพราะมันคิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ทันความคิด พอเราไม่ทันความคิดเราก็ดุ่มเดินเข้าไปในรถไฟสายความคิดคิดแล้วคิดเล่าคิดแล้วคิดเล่ลาไกลออกไปไกลออกไปลึกเข้าไปในอดีตลึกเข้าไปในปัจจุบันคิดถึงเรื่องดีๆก็ดีใจจนฟูจนฟองคิดถึงเรื่องเศร้าๆก็ร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจหน้ามองครองเศร้าแต่ใครก็ตามที่มาฝึกเจริญสติแล้วพอมันคิดขึ้นมาแล้วเห็นความคิด คนคนนั้นจะหลุดจากความคิดและมีชีวิตสดๆอยู่ในปัจจุบันขณะคนอย่างนี้เป็นคนที่มีโอกาสที่จะลาออกจากความทุกข์ได้ง่ายขึ้นอย่างไหมประกาศอิสรภาพจากความทุกข์ยื่นไวลาออกจากความทุกข์คนที่เห็นความคิดนี่เป็นคนอารมณ์ดีนะ ถูกกระทบก็ไม่ค่อยกระเทือนแต่คนที่ไม่เห็นความคิดนะ่ะเป็นคนที่มีเคราะห์แล้วก็ต้องสะดอกเคราะหกันทั้งปีทั้งชาติละ่ะเพราะมันคิดขึ้นมาเราไม่รู้ฉะนั้นชิตากรรมของเราที่เราบอกว่าแย่แย่แย่แล้วพยายามแก้จากข้างนอกนะ่ะแล้วแก้ไม่ค่อยสําเร็จแต่พอมาปฏิบัติธรรมหลายคนไม่ต้องทําอะไร จูจ่ๆเรื่องเลวร้ายในชีวิตก็อันตรธานไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะจูจ่ๆมันเห็นปัญหาแล้วก็ตรงจุด ท, ที่เห็นปัญหานั่นเองก็คนพบทางออกเคยมีนักธุรกิจคนหนึ่งมีธุรกิจหลากหลายธุรกิจมีเงินนับพันล้าน วันหนึ่งเจอวิกฤตเศรษฐกิจตอนปี40ล้มปัมลงไปเหลือเงินไม่ถึงร้อยล้านหนีไปอยู่สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงถูกเจ้าหนี้ตามตัวจนกระทั่งวันหนึ่งคนคิดถึงเมืองไทยไม่ไหวสวมวิกป็นกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วมีแต่ความคิดว่าจะฆ่าตัวตายทั้งคืนทั้งวัน ในที่สุดภรรยาพาไปเข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรเจ็ดคืนแปดวันวันที่สามของการฝึกเจริญสติจู่ๆพอคิดขึ้นมาไปเห็นความคิดของตัวเองเข้าเห็นว่าตัวเองเนี่ยคิดแล้วคิดเล่าคิดแล้วคิดเล่าย้ำคิดย้ำทำ จู่ปัญญาก็สว่างโพลงขึ้นมาว่าวิกดีเซติกิจมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงไปแล้วนี่ผ่านมาเกือบห้าปีแล้วเธอยังคิดอยู่เธอไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีเงินแต่ที่เธอทุกข์นักทุกหนเพราะเธอกลัวว่าจะถูกเพื่อนตราหน้าว่าเป็นไอคีแพ้พอสัมมาสาเตนะไปเห็นตัวความคิดซึ่งมันปรุงขึ้นมาว่า เธอไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีเงินดอกเพราะเงินที่เหลืออยู่เนี่ยยังเหลือกินเหลือใช้แต่ที่เธอทุกข์เพราะเธอรู้สึกว่าในชีวิตฉันไม่เคยล้มฉันล้มคราวนี้ฉันเสียหน้าอย่างไรและจิตมันก็สอนจิตแบบไหนล่ะหน้าของเธอแค่ปีนี้มีใครถามหาเธอบ้างไหนล่ะเธอซึ่งเคยสําคัญนักหนา จิตสอนจิตไปตามลำลับในที่สุดความทุกข์ของผู้ชายคนนี้ก็พังครืนลงมารู้ขึ้นมานาทีนั้น่าโอวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นครั้งเดียวตอนปี40แต่วิกฤตในใจของเรานั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาช่วง5ปีที่ผ่านมาเกิดซ้ำเกิดซากทุกคืนทุกวันเพราะอะไรเพราะเราปรุงแต่งให้ตัวเองทุกเราหนี ตัวเองมาโดยตลอดหนีการถูกตราหน้าว่าไอ้ขี้แพ้หนีการถูกตราหน้าว่าคนเคยรวยหนีการเข้าสังคมเกรงว่าเมื่อเข้าสังคมจะไม่สามารถวางตัวหรูหราเหมือนเดิมได้อีกเพราะจิตสอนจิตว่าไม่มีสิ่งใดสําคัญไปกว่าชีวิตเงินทรัพย์สินสริคานนั้นเป็นเรื่องที่มาเทหลังชีวิตทั้งหมดตอนมาเธอมาตัวเปล่า ตอนนี้ขนาดล้มตึงลงไปเธอยังเหลืออีกนับร้อยล้านชีวิตคือสิ่งสูงค่าที่สุดไม่ใช่เงินนี่เพราะจิตสอนจิตอย่างนี้นะวันที่สี่ผู้ชายคนนี้ตื่นตั้งแต่ตีสามไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเป็นนั่งรอหลวงพ่ออยู่ที่หอสวด ม, มนต์เ ข, ขบาบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมจะขอเปลี่ยนชื่อ ผมรู้สึกว่าเมื่อวานตอนนั่งสมาธิผมคนโง่คนนั้นมันได้ตายไปแล้วครับตอนนี้ผมพยายามคิดเพื่อให้ผมเศร้าอีกมันไม่เศร้าครับผมพยายามที่จะร้องไห้ในอารมณ์แบบเดิมปรากฏ ว, ว่าจิตมันไม่ไปครับหลวงพ่อผมรู้สึกว่าผมถูกผลักออกมาข้างหน้าแล้วพอจะถอยไปข้างหลังมันมีมือดันให้ไปข้างหน้าอย่างเดียว จิตมันไม่ถอยครับหลวงพ่อทาไมผมกลับไปทุกแบบเดิมไม่ได้หลวงพ่อก็บอกแล้วมันเป็นได้ยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าจูจ่ๆเมื่อวานนี้จิตมันก็สอนจิตแล้วมันก็พังลงไปเองครับหลวงพ่อว่าที่ผมทุกข์นะไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีเงินแต่ทุกข์เพราะว่าผมกลัวเสียชื่อครับผมกลัวเสียหน้าครับแล้วจิตมันก็สอนจิตว่านหน้ามันเป็นสิ่งสมมุติชีวิตมันเป็นของจริง ผมเป็นอะไรครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกโยมโยมได้พบมรรคข้อแรกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาทิฏฐิไงทันทีที่เราเห็นทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นในใจของเราก็เท่ากับว่าจิตเข้าสู่โหมดของสัมมาทิฏฐิแล้วโยมโยมหมดทุกข์หมดโศกจากนี้ไปนะหลวงพ่อก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เขา หลวงพ่อเปิดสมุด ต, ตั้งชื่อฉายาของพระนะเอาวันเดือนปีเกิดมาหยิบฉายาของพระเพราะเพราะอันหนึ่งเป็นตั้งให้เป็นชื่อของคนคนนี้ทุกวันนี้คนคนนี้เลยเป็นเศรษฐีที่มีชื่อฟังประหลาดประหลาดชื่อคล้ายฉายาของพระแล้วเขาก็มีความสุขมากเขาบอกว่านึกไปนึกมาผมก็หัวเราะยอดตัวเองนะ ผมไปโง่อยู่อเมริกาตั้งห้าปีครับราชาัชชันทั้งๆ ท, ท, ที้ตลอดเวลานั้นไม่มีใครโทรศัพท์ไปตามผมเลยผมก็ยังคงคิดว่าผมเป็นคนสําคัญอยู่ทั้งๆที่เมืองไทยไม่มีใครก็พูดถึงผมด้วยซ้ําความทุกข์ทั้งหมดผมปรุงเองครับผมเป็นพ่อครัวหัวป่าสาขานักปรุงความทุกข์ทุกว น, นี้กลับมาทําธุรกริจ แต่ตั้งใจไม่ให้ตัวเองรวยเกินไปเขาบอกว่าคนที่อยู่ในที่สูงก็หวันว่าจะตกลงมาสู่ที่ต่ําผมว่าผมอยู่ที่ต่ําซะเลยดีกว่าไม่ต้องกลัวตกจากที่สูงทุกวันนี้กลายเป็นคนที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นย้ายหนีกรุงเทพมาอยู่ต่างจังหวัดแกบอกว่าถ้าอยู่กรุงเทพผมอดลงทุนไม่ได้ครับเพราะผมรู้วิธีหาเงิน แต่ผมรู้แล้วครับว่าเงินไม่ใช่สิ่งสาคัญตอนนี้การที่มันคิดขึ้นมาแล้วผมมาเห็นความคิดของตัวเองอันนี้สำคัญที่สุดครับทุกวันนี้ผมมีความสุขมากผมนอนดูความคิดของตัวเองแล้วความคิดพอถูกเห็นมันก็ดับไปมันปรุงขึ้นมาพอผมมองดูมันก็ดับไปตอนนี้ผมทำตัวเหมือนแมวที่เฝ้าดูหนูคือความคิดพอมันคิดขึ้นมาพอผมไปเห็นมันก็ดับวุ๊บวุ๊บ ผมรู้สึกว่าชีวิตผมมัน ล, ะ ล, ะละันล้ามากเลยครับพระอาจารย์เนี่ยเห็นไหมทุกวันนี้เขาก็เลยเป็นนักธุรกิจที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเขาไม่บอกใครในมิติด้านนี้ของเขานะเขาบอกว่าผมไม่อยากเดินสายบญญรรยายนะครับพระอาจารย์ตอนนี้ผมมีสาวกสองคนครับลูกกับแม่ผม <laughs> ใครก็ตามปฏิบัติธรรมจนมาเห็นความคิดคนนั้นดุ่มเดินอยู่บนอริยมรรค ฉะนั้นที่เราท่านทั้งหลายมาฝึกเจริญสตินี้ก็คือเรามาฝึกเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีทิพยจักสุทิพยจักสุไม่ใช่ไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นพระอินไปเห็นนางฟ้าหรือไปเห็นจิตเห็นใจคนอื่นแต่ทิพยจักสุในที่นี้หมายถึงกิเลสมันฟูขึ้นมาแล้วเราเห็นตัวกิเลส ความคิดมันปรุงขึ้นมาแล้วเราไปเห็นความคิดอันนี้ต่างหากคือตาทิพย์ฉะนั้นอย่าไปอยากได้ตาทิพย์ในความหมายที่จะทำให้เราเป็นผู้วิเศษจงอยากได้ตาทิพย์ในความหมายที่ว่าเมื่อจิตมันเผลอคิดขึ้นมาแล้วเราไปเห็นความคิด เมื่อจิตมันปรุงขึ้นมาทำให้เราทุกข์แล้วเราไปเห็นตัวต้นจิตที่มันปรุงใครก็ตามที่เห็นความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไม่มีทางที่จะไม่เปลี่ยนเพราะตัวความคิดนั่นเองคือตัวทุก์ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนกรรม เราเห็นท่าแท้ของเธอแล้วจากนี้ไปเธอจะทำร้ายเราไม่ได้กรรมในที่นี่หมายถึงอะไรกิเลสกรรมคือการที่เราอยากจะได้ใครจะมีทั้งหลายนี่แหละโยมเช่นเราเห็นคนบางคนทำไมสวยเหลือเกินคนบางคนทำไมหล่อเหลือเกินโอ้โหตายแล้วคนนี้ปรุงแต่งไปรู้ไหม แท้ที่จริงนะ่ะตัวสวยตัวงามไม่ใช่ตัวที่อยู่หน้าจอแต่ตัวจิตตัวใจของเราซึ่งมันปรุงขึ้นมาพระพุทธองค์บอกว่ากามที่แท้ไม่มีมีแต่ความดําำริในทางกลามกามที่แท้ก็หมายความว่าสิ่งที่รัดรึงตรึงใจที่แท้จริงไม่มีหรอกแต่ที่เรารู้สึกรัดรึงตรึงใจกับอะไรหรือกับใครสักคนก็เพราะว่าเราคิดถึงคนนั้นหรือสิ่งนั้นด้วยความคิดปรุงแต่งต่างหา ลองสังเกตดูสิมีคนสวยรายล้อมเราอยู่ร้อยคนถ้าเราไม่ได้เมียงมองใครคนใดเป็นพิเศษคนเหล่านั้นก็จะไม่มีความหมายกับเราเลยตรงกันข้ามถ้าเราใส่ใจใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแม้คนหนึ่งคนนั้นจะอยู่ท่างกลางคนนับพันเราก็ยังคงเฝ้ามองคนคนนั้น โดยสามารถแยกแยะเอาหนึ่งเดียวคนนั้นออกมาจากคนอื่นๆได้อยู่ดีสังเกตไหมถ้าเราสนใจใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเขาสําคัญหมดเบอร์โทรศัพท์ก็สําคัญดีห้อโทรศัพท์ที่เธอใช้ก็สําคัญรถที่เธอนั่งก็สําคัญบริษัทที่เธอทํางานก็สําคัญเพื่อนที่เธอคบก็สําคัญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนคนนั้นสําคัญหมด แท้ี่จริงมันสำคัญอย่างนั้นจริงๆม้มมันไม่สำคัญขนาดนั้นหรอกแต่เราเติมมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วยความหลงของเราไงพอถอนความหลงอีกทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นเพียงอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแข็งๆกระด้างกระด้างทื่อๆที่ไม่มีความหมายกับชีวิตเราเลยนะเชื่อไหมฉะนั้น ตัวความคิดปรุงแต่งนี้เป็นตัวจักสำคัญในการผลักดันให้ชีวิตของเรามีสุขหรือมีทุกข์เมื่อเราฝึกเจริญสติไปได้ระดับหนึ่งจนกระทั่งเราสามารถตรหนักรู้ทุกครั้งที่มันคิดขึ้นมาใครก็ตามพัฒนามาถึงระดับนี้คนคนนั้นกำลังมายืนอยู่บนธรณีประตู ของการดับทุกข์คำถามก็คือเราท่านทั้งหลายตอนนี้ใกล้ธรณีประตูแล้ว อ, อยังหรือว่านั่งสมาธิแล้วมันง่วงก็ยังไม่เห็นตัวง่วงเลยรู้สึกตัวอีกทีคอพับมันโกรธขึ้นมาก็ยังไม่เห็นตัวโกรธรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งชกเพื่อนเปรี่ยม นั่งไปนั่งไปมันงหงิดขึ้นมากุลกุลกุลก็ยังไม่รู้สึกสำเนึกได้อีกทีหนึง่งจากกลุลกุลกลายเป็นโกรธจากโกรธเสดงออกเมื่อได้กลายเป็นเกลียดเกลียดเสดงออกไม่ได้กลายเป็นกดกดก็คือเก็บกดและในที่สุดกลายเป็นความคุนคล้องหมองใจเก็บกดเอาไว้ค่ําคืนนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาตีสี่ รู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเอ๊ะทำไมอารมณ์เสียแต่หัววันยังไม่น้นได้ทำอะไรเลยนะตื่นตีสี่งดหงิดแล้วเนะคยรู้สึกไหมยังไม่ได้เจอมนุษย์เลยวันนี้แต่ทำไมวันนี้ฉันอารมณ์เสีย <c oughs> รูู้้วอย่างว่ารากมันมาจากไหนมันส่งพลังมาจากเมื่อวาน <c oughs> แล้วคนที่ไม่เห็นความคิดทั้งหลายเนี่ยได้เก็บกดอารมณ์บูดบูดเน่าเน่าเอาไว้กี่วันกี่คืน กี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติรู้กันบ้างไหมทำไมตื่นมาบางวันเราอารมณ์ดีเหลือเกินทำไมบางวันตื่นมาเราอารมณ์เสียถ้าเราเรียนรู้ที่จะเฝ้ามองจิตเราจะเห็นต้นเหตุของความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราทั้งหมดฉะนั้นชีวิตของเราก็คือเงาของความคิด ทั้งๆ ท, ที่ความคิดสำคัญอย่างนี้แต่เราก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับความคิดทั้งทงที่จิตพาเราคิดอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตฉะนั้นจึงอยากจะแนะนาให้เราเรียนรู้ที่จะฝึกจิตที่จะยกจิตที่จะฟอกจิตที่จะพัฒนาจิตจิตของเรานั้นเมื่อกล่าวกว้างๆ ก, ก็มีสองประเภทหนึ่งก็คือวิธีจิต ก็คือจิตปกติของเราเนะี่ยที่ทำให้เราครองกายครองวาจาอยู่ได้อย่างปกติสุขสองพหวังก็จิตก็คือจิตใต้สำนึกของเราจิตสำนึกเปรียบเสมือนห้องรับแขกของเราห้องรับแขกนั้นเรามักจะจัดให้สวยพร้อมรับแขกตลอดเวลานี่แหละ จิตสำนึกปกติของคนแต่ละคนทำให้เรารู้ที่จะวางเนื้อวางตัวรู้ที่จะพูดที่จะจารู้ที่จะเข้าสังคมส่วนจิตได้สำนึ ก, นกเปรียบเสมือนห้องเก็บของห้องเก็บของร้อยทั้งร้อยรกสกรปรกฝุ่นเยอะหนูแมลงสาบมักจะได้วีซ่าเข้ามาอยู่ในห้องเก็บของ รู้ไหมในห้องเก็บของเรานั้นนะในห้องเก็บของซึ่งเป็นดังหนึ่งจิตชนิดหนึ่งของเราก็มีทั้งของดีและของไม่ดีที่เราทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของนั้นด้วยแล้วสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีในห้องเก็บของนั้นก็เป็นดังหนึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งดวงจิตของเราภาษาพระเรียกว่าอนุสัยอนุสัยแปลว่ากิเลส ท, ที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน แล้วเจ้ากิเลสเหล่านี้ถ้ามันได้รับการจัดสภาพแวดล้อมดีๆนะมันจะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมากลายเป็นธรรมะได้แต่ถ้าไม่ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีนะมันก็จะหมักดองตัวเองกลายเป็นกิเลสที่กลัดหนองและทำให้เราทุกตรขงขมไม่ได้เช่นเราได้ยินเสียงสวดมนต์ จู่ๆเราก็รู้สึกอยากสวดมนต์เช่นวันนี้เราได้ยินเพื่อนของเราสวดบารมีสิทธัศถ์เราเดินผ่านมาเนี่ยหยุดยืนฟังแล้วรู้สึกสดชื่นรื่นเย็นอดไม่ได้จนต้องมานั่งข้างหลังแล้วก็สวดตามเข้าไปด้วยสวดไปยิ้มไปอย่างมีความสุขคำถามคือทำไมเราอยากสวดมนต์เพราะว่าเมล็ดพันธุ์ดีๆกูสอละเจ็ด อยู่ในพระวังขจิตของเราด้วยในขณะเดียวกันเรากลับไปในห้องเปิดโทรทัศน์เจอนักการเมืองคนหนึ่งกำลังให้สัมภาษณ์พอเห็นหน้าเขาปุ๊บเรากโกรธทันทีความโกรธมาจากไหนเชื้อมันมีอยู่แล้วในห้องใต้ดินของเรานั่นแหละมันมีเชื้ออยู่ พอเจอนักการเมืองคนนั้นมากระตุ้นเท่านั้นเองเชื้อปะทุเห็นหรือยังฉะนั้นในห้องต้ดินแห่งจิตของเรานี้จึงมีเมล็ดพันธุ์ทั้งที่ดีและไม่ดีฝังตัวอยู่ในนั้นถ้าเรารดน้ำเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้นะคนอย่างเราเราเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตมากมายตรงกันข้ามคนอย่างเราเราเนี่ย แต่ถ้าถูกรดน้ำด้วยมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีหรือด้วยน้าที่ไม่ดีมเมล็ดพันธุ์แย่ๆมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเช่นเด็กบางคนเถียงพ่อเถียงแม่ขโมยเงินพ่อขโมยเงินแม่ไปโรงเรียนไปไม่ค่อยถึงพ่อแม่สอนเถียงกคำไม่ตกฟังจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อแม่เอามายกให้อาจามา แม่บอกว่าเอามาอยู่กับท่านสักสามวันโยมไม่ไหวแล้วถ้าอยู่กับโยมอีกแม้แค่ครึ่งวันมีการตายเกิดขึ้นแน่ <c oughs> แม่พูดขนาดเนี้เพราะลูกเผลอแม่ขับรถออกวัดไปเลยอาดามาก็เลยบอกว่าลูกเย็นวันนี้เรามีคอร์สวาวนา ลูกปฏิบัติธรรมนะถ้าลูกผ่านสามวันนี้พระอาจารย์จะให้ทุนการศึกษาลกูกคิดดูซิว่าแม่พามาวัดนะ่ะยังนุ่งกางเกงขาสั้นมามาวัดนี่ใส่เสื้อกลอกมาเลยนะอาตามายวนชุดขาวให้ชุดหนึ่งชวนทำวัดส่วนบนวันแรกทำไปโกรธไป ไม่มองหน้าเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมสักคนแ ล, แ, แล้วแต่ละคนก็อายุคราวแม่ทั้งนั้นเนี่ยน้องคนนี้อยู่แค่หมอตนสวดมนต์ไปโกรธไปวันที่สองก็สวดมนต์ไปโกรธไปพอวันสุดท้ายอาตมาภาพเทศเรื่องเรามีเวลาจำกัดสอนเรื่องพระคุณพ่อพระคุณแม่สอนว่าพ่อแม่เป็นบุคคลที่ไม่มีอะไร เสียแล้วเสียเลยตายแล้วตายเลยนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่สามารถไปซื้อพ่อแม่กระป๋องมาทดแทนได้ร้องไห้กันทั้งงานเลยวันรุ่งขึ้นแม่มารับแม่มารับบ่ายสามน้องคนนี้มาบอกอาตมาแต่เช้าแต่ตีห้าเลยพระอาจารย์คะ พรุ่งนี้ช่วยจัดให้หนูได้พบกับแม่หน่อยเอาไกลๆนะคะทําไมล่ะลกูกหนูอายหนูจะทําอะไรกับแม่หนูจะขอกราบเท้าแม่พระอาจารย์ช่วยจัดให้หน่อยพระอาจารย์บอกงั้นเอาในสวนยางเลยไหมลกูก <c> โ <oughs> น่นไปท้ายสวนยางพารานโน่นพ่อแม่มารับอาจามาบอกลกูกพาแม่ไป ไปในป่าสองคนกับแม่พอรับหูรับตาคนก้มลงกราบเท้าแม่แล้วก็รอ้องไห้แม่ช็อกพระอาจารย์เสกลูกฉันเนี่ยเกิด อ, อะไรขึ้นพอออกจากป่ามาเนี่ะสองคนแม่ลูกน้ำตาคอหน่วยร้องหม่มร้องไห้มาขอบบุญขอบคุณอนุธรมาแม่บอกว่าโยมนะ่ะหมดหวังไปแล้วกับลูกคนนี้ คิดว่าเต็มที่คงส่งไปอยู่เมืองนอกแล้วจะไม่ไปตามกลับมาเลยเดชบุญตอนนี้เขาเกิดใหม่แล้วเขารู้แล้วว่าเขาทำแม่แสบแค่ไหนเนี่ยพอรู้แล้วว่าพ่อแม่นะอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกวันหนึ่งท่านก็จะจากเราไปแล้วทำไมล่ะเรา ถ้าคุณท่านยังไม่ได้ตอบแทนเลยแล้วทุกคืนทุกวันก็ทําให้ท่านเจ็บช้าน้ําใจไม่จบไม่สิ้นพอน้องคนนี้ตื่นรู้ขึ้นมาว่าตัวเองผิดตรงไหนเท่านั้นเองคนคนหนึ่งถ้าเขามีความทุกข์และเขาได้เห็นตัวทุกข์นั้นด้วยตัวของเขาเองนะทุกข์ที่ถูกเห็นจะพลิกเป็นความสุขจากนั้นเป็นต้นมาสองคนแม่ลูกก็รักกัน นี่คือตัวอย่างที่สะท้อนว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทำไมก่อนหน้านั้นเป็นคนเลวเป็นตัวแสบประจำตระกูลแต่พอมาผ่านคอสวิปศาสนาการรมฐานได้รับการลดน้ำด้วยน้ำแห่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, มาเมล็ดพันเร์เลวๆไม่ได้รับการฟูมฟักเหมือนตอนอยู่ที่บ้าน ตอนที่อยู่ที่บ้านไม่มีใครสนใจเขาเลยเออะอะไรแก้ปัญหาด้วยเงินเมล็ดพันธุ์ดีๆไม่ได้รับการเอาใจใส่เมล็ดพันธุ์เร็วๆได้รับการเอาใจใส่มาโดยตลอดแต่ขอกันด่ากันมีปัญหายน์เงินให้ปึ้งหนึ่งเท่ากับว่าเมล็ดพันธุ์เร็วๆเนี่ยถูกรดน้ำตลอดเด็กมันก็เลยเร็วลงเร็วลงเร็วลงแทนที่จริงเขาไม่ได้อยากเป็นคนเร็วเขาแค่เรียกร้องความสนใจ แต่พอมาอยู่ที่วัดมเมล็ดพันธุ์ดีๆที่ซ่อนตัวอยู่ในจิตใต้สำนึกของเด็กคนนั้นถูกรดน้ำสามวันสามคืนในที่สุดมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นกูศลลุลเจตปริบานสะพรั่งมาคนคนเดียวกันถ้าจิตของเขาได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเขาจะเป็นยอดคนแต่ละจิตของเขาไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เขาก็จะเป็นเดนคนฉะนั้นสกยภาพที่จะเป็นยอดคนและเป็นเดนคนฝังอยู่ในห้องใต้ดินแห่งจิตของเราขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้ที่จะฟูมฟักรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเรียนรู้ที่จะกําจัดเมล็ดพันธุ์ที่แย่เมล็ดพันธุ์ที่ดีก็คือกุศลจิตเมล็ดพันธุ์ที่แย่ก็คืออาคุศลจิต ฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ว่าชีวิตของเราก็คือเงาของจิตชีวิตของเราก็คือเงาของความคิดเราก็ต้องให้เวลากับการฝึกหัดพัฒนาจิตของเราเร็วๆนี้ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเป็นพิธีกรที่กำลังมีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยในวันนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาชอบแกล้งน้องจนน้องเนี่ยเห็นเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยนะ มีกันสองคนพี่น้องและแกล้งกันอาทิตย์หนึ่งนับครั้งไม่ถ้วนทุกครั้งที่แกล้งน้องแล้วน้องมีปฏิกิริยาตอบสนองในทางโกรธพี่มีความสุขวันหนึ่งขณะที่เขากาลังแกล้งน้องด้วยความเคยชินจู๊จูน้องโกรธสุดขีดวิ่งเข้าไปในห้องครัวและหยิบมีดออกมาไล่แทงผู้เป็นพี่ชาย ตอนแรกพี่ชายคิดว่าน้องทำเล่นแต่พอดูไปดูมาปรากฏว่าน้องกะเอาตายเลยพี่็อกตกใจสุดขีดวิ่งเข้าไปในห้องล็อกประตูน้องมาตบประตูปั้งปังปั้ ง, ง, งบอกว่าจะฆ่าพี่จะแทงพี่วันนี้น้องจะแทงพี่พี่ไม่เคยเจอด้านมืดของน้องมาก่อน ตก อ, อกตกใจอยู่ข้างในตะโกนออกมาขอโทษขอโล่ยน้องด้วยความลืมเนื้อลืมตัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่คนนี้เลิกแกล้งน้องเด็ดขาดเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมเห็นความน่ากลัวของบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวน้องของผมตัวผมเองคือคนที่ไปกระตุ้น มเมล็ดพันธ์แห่งซาตานที่อยู่ในตัวน้องผมและถ้าผมยังคงกระตุ้นต่อไปวันหนึ่งซาตานตนนั้นต้องฆ่าผมแน่ในที่สุดผมเลิกแกล้งน้องปรากฏว่าน้องกับผมรักกันมาจนทุกวันนี้เห็นไหมคนคนเดียวกันถ้าได้รับการกระตุ้นได้รับการรดน้ําโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องซาตานจะออกมา แต่ถ้าได้รับการกระตุน้นได้รับการลดน้าได้รับการดูแลโดวยวิธีการที่ถูกต้องนักบุญจะออกมาฉะนั้นในจิตของเรานี้จึงมีทั้งนักบุญและคนบาป พ, พวกเรารู้ไหมยักษ์วัดโพยักษ์วัดแจ้งและเทพบุตรเทพพธิดาที่อยู่ตามวัด ต, ตามปราสาทรัชวัง พวกเรารู้ไหมนั่นคือสัญลักษณ์ยักษ์ก็คือความโกรธเทพบุตรเทพพิดาก็คือคุณงามความดีฉะนั้นในตัวเรานี้มีทั้งยักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้งมีทั้งเทพบุรเทพธิดาที่อยู่ตามซุ้มประตูของพุทธสถานสําคัญต่างๆเราไม่ต้องไปหายักษ์ ไม่ต้องไปหาเทพประบุษเทพธิดาตามพุทธสถานเหล่านั้นหรอกแท้ที่จริงในจิตของเราทุกคนนะมีทั้งยักษ์มีทั้งเทวดามีทั้งนักบุญแล้วก็มีทั้งคนบาปสาคัญก็คือเราจะหลอเลี้ยงให้นักบุญหรือคนบาปจะหลอเลี้ยงให้ยอดคนหรือเดินคนเติบโตขึ้นมาในวิถีชีวิตของเราถ้าเรามาเรียนรู้ว่าอ๋อจิตของเราสำคัญขนาดนี้นะ ถ้าเราหมั่นดูแลนะชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ตระหนักรู้ถึงตรงนี้นะเราจัดสภาพแวดล้อมให้จิตนี้เจอแต่สิ่งที่ไม่ดีนะวันหนึ่งนะเราก็จะเป็นศูนย์รวมของความทุกข์ฉะนั้นชีวิตของเราก็คือเงาของความคิดศักยภาพที่จะมีความสุขศักยภาพที่จะมีความทุกข์มีอยู่แล้วในตัวเราฉะนั้นในทางปรัชญาเซนท่านจึงสอนว่า นิพพานอยู่ตรงหน้าผาของเธออย่าไปหาจากที่อื่นอย่าไปหาจากข้างนอกเขาอยู่ตรงนี้อยู่มาตลอดเวลาแต่มีกี่คนที่ตระหนักรู้ถึงความจริงข้อนี้ทีนี้เมื่อเรามารู้ความจริงข้อนี้แล้วว่าอ๋อในตัวเรามีเมล็ดพนันธุ์แห่งความสุขมีเมล็ดพนันธุ์แห่งความทุกข์พร้อมอยู่แล้ว สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะมารดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์ให้แห่งความสุขแล้วก็เลิกรดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์เรียนรู้ที่จะเติมอาหารแห่งความสุขเลิกที่จะป้อนอาหารแห่งความทุกข์ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้เราก็ต้องฝึกฝึกยังไงฝึกตัวเองให้รายล้อมด้วยกัลยะาณมิตรเช่น ตาโหูจะหมกลิ้นกายใจของเราเราเติมสติเข้าไปเติมพลังงานแห่งสติเข้าไปทุเรื่องที่คิดทุกคิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่ทเคลื่อนไหวถ้ามีสติกำกับอยู่แล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเรากำลังรดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์ที่ดีงาม